คนนอกแบบแบบเห็นจะเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วเช่นอย่างแบบตุ๊กตาช่างปั้นตุ๊กตารูปอะไรเขาก็จะสร้างแบบขึ้นเป็นรูปสิ่งนั้นสมมติว่าจะทำตุ๊กตารูปกระต่ายเขาก็ทำแบบรูปกระต่ายเสร็จแล้วเอาปูนพลาสเตอร์อัดเข้าไปในแบบนั้นปูนที่เข้าไปในแบบก็อัดตัวเข้าเป็นรูปกระต่ายแล้วก็แกะเอาไปขาย ได้ราคาดีกว่าตอนที่ยังเป็นปูนก่อนเข้าแบบส่วนเศษปูนไม่ยอมเข้าแบบลอดไม้ลอดมือออกไปนอกแบบเสียขายไม่ได้ไม่มีราคาเขากวาดใส่บุ้งกีเอาไปเททิ้งเคยได้ยินช่างปั้นเขาว่าวิธีทำแบบคางคกพิสดารกว่าเพื่อนน่ว่าตามเขาว่าเขาจับเอาคางคกเป็นเป็นมาแล้วก็เอาบุริฉุนๆจานวนสีกักสะพานโพ ให้มันสูบสักครู่หนึ่งมันจะเมาตัวแข็งช่างก็รีบเอาปูนซีเมนต์ที่ผสมไว้พอหมาดๆหรือปูนปาสเตอร์ก็ได้เอาหุ้มตัวคังคกนั้นพอกให้หนาพอสมควรพอปูนหมาดสักหน่อยแล้วก็เอาสังกะสีบางๆผ่าปูนออกเป็นสองฝาข้างในตัวคังคกอยู่จะกลายเป็นโพรงเหมือนกับตัวคังคกส่วน้างคกตัวนั้นพอถูกความเย็นเข้าก็จะสางเมา ยกยกไปเที่ยวจับแมลงเมากินต่อไปเขาว่าอย่างนี้ข้าพเจ้าซักถามเขาดูแล้วว่าคางคกตัวที่เอามันมาสู่บุหรีนั้นไม่ตายแน่หรือเขาว่าไม่แน่บางทีก็ไม่ฟื้นแต่เป็นเพราะค่าที่อยากได้แบบก็จำต้องทำนี่เอามาเล่าให้ฟังว่าแบบบางแบบต้องเสี่ยงบาปไปทำกันถึงขอบนรกก็มีพระพุทธรูป ที่เรากราบไหว้บูชากันอยู่ทั่วไปก็มีแบบเหมือนกันถ้าไม่เข้าแบบก็ไม่เป็นองค์พระเวลาเขาจะหล่อพระเขาเอาแบบตั้งไว้แต่แบบพระขนาดใหญ่เขาเรียกว่าหุ่นเป็นส่วนมากเพราะเป็นแบบสองชั้นพอเตรียมแบบเสร็จแล้วก็เอาเศษทองเหลืองทองแดงจำพวกกระทะแตกทัพพีหักและโลหะเศษ เ, เหลือล อ, อื่นๆเอาไปเผาให้ละลาย แล้วเทลงไปในแบบทองที่เข้าไปในแบบก็เกาะตัวเข้าเป็นองค์พระแล้วคนก็เอาไปตั้งไว้บูชากราบเช้ากราบเย็นส่วนพวกทองที่กระเด็นออกนอกแบบฐานะของมันไม่มีอะไรดีขึ้นคงเป็นเศษทองไม่มีใครเอาไปตั้งไว้บูชาอย่างดีก็กวาดใส่เข่งเอาไปรวมในมุมใดมุมหนึ่งเพื่อรอการเข้าแบบครั้งต่อไปนี่แหละเรื่องของแบบ แบบทำให้ปูนผสมน้ำกลายเป็นตุกตาที่สวยงามใครเห็นใครรักขายก็ได้ราคาแบบทำให้ขันแตกทัพีหักกลายเป็นองค์พระเลื่อมใสใครๆก็เต็มใจกราบไหว้บูชาแบบสำคัญอย่างนี้แล้วปูนหรือทองเข้าแบบก็ดีอย่างนี้การเข้าแบบคือการเปลี่ยนฐานะของตนให้สูงขึ้นอย่างน่าอาัศจรรย์เสียแต่พวกกระเด็นออกนอกแบบ ไม่มีอะไรดีขึ้นกว่าเดิมดูจะสุดต่ําลงไปอีกเสียด้วยคิดๆก็น่าสงสารคิดๆก็น่าสมน้ําหน้าเลยไม่อยากคิดคนเราที่เกิดมาเป็นคนกับเขาชาตินี้ก็มีฐานะเหมือนกับปูนผสมน้ําหรือเท่ากับน้ําทองที่เผาละลายเท่านั้นเองถ้ายังไม่เข้าแบบก็ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างมักจะขาดขาดกันเกินที่ว่าขาดคือขาดความสําคัญสองความ คือความเรียบร้อยกับความเหมาะสมคนที่ขาดความสําคัญสองความนี้เขาเรียกว่าคนไม่ได้ความนี่ข้างขาดส่วนที่ว่าเกินนั้นคือเกินดีเกินงามทําอะไรเกินดีเกินงามก็ใช้ไม่ได้เพราะถ้าเกินดีไปแล้วก็เป็นไม่ดีเกินงามไปแล้วก็เป็นไม่งามคนที่ยังไม่เข้าแบบก็อยู่ในสภาพขาดขาดกันเกินอย่างที่ว่านี้เพราะฉะนั้น ในสังคมมนุษย์เขาจึงต้องมีแบบไว้เป็นแบบๆแต่แบบคนนั้นเรียกหลายอย่างเรียกว่าระเบียบก็ได้เรียกว่าวินัยก็ได้เรียกว่าศีลธรรมก็ได้เรียกว่าวัฒนธรรมก็ได้เรียกว่ากติกาก็ได้คําเรียกอื่นๆอีกก็ยังมีแล้วแต่ท่านจะบัญญัติเรียกให้เหมาะสมแต่จะเรียกอย่างไรก็ตามรวมความแล้วก็คือแบบนั่นเองบางทีเราพูดต่อกันว่า ระเบียบแบบแผนอย่างนี้ก็มีแบบคนมีหลายแบบแบบทหารมีแบบตำรวจมีแบบครูมีแบบนักเรียนมีแบบผัวมีแบบเมียมีแบบพระมีแบบสมณีมีและยังมีแบบอื่นๆอีกมากมายรวมความว่ามีแบบไว้ให้เลือกอย่างพอใจทีเดียวทีนี้เราจะเป็นอะไรก็ต้องเข้าไปในแบบนั้น เช่จนจะเป็นทหารก็ต้องเข้าแบบทหารจะเป็นตำรวจก็ต้องเข้าแบบตำรวจจะเป็นครูก็ต้องเข้าแบบครูจะเป็นนักเรียนก็เข้าแบบนักเรียนคือจะเป็นอะไรก็ต้องเข้าแบบนั้นข้อสําคัญอย่าลืมว่าคนที่ใช้ได้ดูได้เฉพาะคนที่เข้าแบบเท่านั้นส่วนพวกที่กระเด็นออกนอกแบบตกไปเป็นพวกขัดขัดกันเกินดูก็ไม่ได้ใช้ก็ไม่ได้ คนพวกนี้มักจะคิดผิดอยู่อย่างหนึ่งคืออยากให้คนทั้งหลายเขารักอยากให้เขาขรพอยากให้เขานับถือแต่ตัวเองไม่ชอบเข้าแบบอยากจะทำตัวเป็นคนนอกแบบคือทาอะไรตามอำเภอ้าใจซึ่งเป็นการฆ่าตัวเองทำลายตัวเองโดยไม่รู้ตัวเพราะลงเป็นคนนอกแบบแล้วจะไปร่ำร้องเอาความรักและความเคารพนับถือจากชาวบ้านได้อย่างไรเหมือนปูนไม่เข้าแบบ แต่อยากให้เขาเห็นว่าตัวเป็นองค์พระจะเป็นไปได้หรือคิดดูเองก็รู้เกินมาเป็นคนแล้วควรจะเลือกเข้าอยู่แบบใดแบบหนึ่งให้ได้ถึงการเข้าไปอยู่ในแบบจะทำให้รู้สึกอึดอัด บ, บ้างก็ต้องทนเอาจะได้เป็นคนมีค่าตัวถ้าเกิดมาแล้วแบบไหนก็ไม่เข้าบำเพ็ญตัวเป็นคนนอกแบบหัวคิดว่าตัวเก่งและเป็นคนก็เก๋ ผลที่สุดถูกส่งไปเข้าแบบพิเศษของกรมราชทัณ์ยิ่งจะลำบากใหญ่อย่างไรก็ดีผู้รักที่จะปรับปรุงตัวให้เข้าแบบก็จะต้องระลึกไว้เสมอว่าในโลกนี้มีแบบอยู่สองชั้นคือแบบเฉพาะกับแบบรวมแบบเฉพาะได้เก็บแบบเฉพาะตัวหมายความว่าใครเป็นใครก็ทาตัวให้เข้าแบบนั้นอย่างจริงๆ ตามที่ว่ามาแล้วส่วนแบบรวมนั่นคือแบบของหมู่คนหมู่หนึ่งหนึ่งเขาก็มีแบบของหมู่ไว้ใครเข้าไปในหมู่นั้นก็ต้องปรับปรุงตัวเองให้เข้ากับแบบเมื่อไปเข้าโรงเรียนก็จะต้องอยู่ในแบบของโรงเรียนออกจากโรงเรียนเข้ามหาวิทยาลัยก็ต้องอยู่ในแบบของมหาวิทยาลัยออกจากมหาวิทยาลัยไปเป็นทหารก็ต้องอยู่ในแบบของทหารออกจากทหาร ไปบวชก็จะต้องอยู่ในแบบของพระข้อสำคัญอย่าไปเป็นคนขวางแบบจะทำให้เกิดความเสื่อมเสียทั้งแก่ตนเองทั้งแก่หมู่คิดดูตัวหนังสือแต่ละตัวที่ท่านกำลังมองอยู่เดี๋ยวนี้ก็แล้วกันตัวหนังสือแต่ละตัวก็มีแบบจำเพาะตัวหนึ่ ง, งไว้ทุกตัวก็ไก่เขียนแบบนี้ขอไข่เขียนแบบนี้ตัวอื่นๆก็มีแบบไว้เป็นแบบแบบ เวลาเขียนก็ต้องเขียนให้ถูกแบบนี่ชั้นหนึ่งเรียกว่าทำให้ถูกแบบเฉพาะทีนี้เวลาเราเอาตัวหนังสือเหล่านี้ไปเขียนรวมกันเป็นประโยชน์เราจะต้องให้ตัวหนังสือแต่และตัวอยู่ให้ถูกที่ถูกทางตัวใดควรจะอยู่หน้าเขียนไว้หน้าตัวใดควรจะอยู่หลังเขียนไว้หลังทาอย่างนี้จึงจะอ่านได้ความทั้งยังต้องเว้นช่องว่างวรรคตอน ตลอดจนขนาดของแต่ละตัวให้พอเหมาะอีกด้วยไม่ใช่ว่าเขียนให้เป็นตัวหนังสือแล้วจะใส่ไว้ตรงไหนก็ได้ไม่ใช่อย่างนั้นถ้าตัวใดใส่ไว้ผิดที่ทำความเสียหายไปไปเขาก็ขีดค่าออกแบบของคนก็มีอยู่สองชั้นเหมือนกับแบบตัวหนังสือนั่นแหละคนที่หวังความก้าวหน้าจะต้องทำตัวให้เข้าแบบทั้งสองชั้นให้ได้ถ้าตัวเข้าแบบนี้ไม่ได้ก็รีบหนีไปหาเข้าแบบอื่น อย่าทำตัวเป็นคนขวางแบบคนบางคนทำตัวเป็นคนเคร่งแบบอย่างที่เราพูดกันทั่วไปว่าคนเจ้าระเบียบแต่มีอยู่ไม่น้อยที่เข้าแบบชั้นเดียวคือใส่ใจแต่แบบเฉพาะตัวไม่ได้ใส่ใจกับแบบส่วนรวมเลยกลายเป็นคนเสียเข้าไปในสังคมที่เขามีแบบส่วนรวมเลยกลายเป็นคนเสียเข้าไปในสังคมที่เขามีแบบส่วนรวม ก็ไปปรับปรุงตัวให้มันเข้าแบบเขาบางทีก็เบ่งโตจนแบบเขาร้าวจนกระทั่งแบบแตกเสียแบบไปเลยก็มีทำอย่างนั้นผิดแต่ตัวเองมักจะนึกเอาเองว่าก็ว่าเก่งเสียเต็มทีก็แบบมันแตกแล้วจะเก่งอย่างไรเก่งก็เก่งนอกแบบอย่างนั้นเองเอาดีอะไรไม่ได้พอที่จะเป็นรูปเทวดาก็อาจกลายเป็นรูปยักษ์รูปผีไปก็ได้ ไหนๆก็กล้ามาถึงขั้นนี้แล้วลองเอาตัวเราเองสอบกับแบบดูสิกทีก็ดีเหมือนกันจะได้ตัดที่เกินและเติมที่ขาดให้เป็นคนได้แบบเสียที